มีมนุษย์หมดเลยอ่ะทำไมทำไมน่ากลัวขนาดนั้นแล้วในบรรดาจั ก, กรวาลเหล่านี้ทั้งหมดมีพระเจ้าอยู่นี่อันเดียวเนี่ยี่เจ้าบวิบเนี่ยแล้วแล้วเราจะมาเจอั้มเนี่ยมาัหมแล้วมากันได้ยังไงเนี่ยมากันได้ยังไงมาเจอเงี้ยแสดงว่ามีบุญใช่ไหม ใช่ไหมบุญดีใช่ไหมถึงได้มาใช่ไมแต่ประโยค่าดีไหมประโยค่าดีไหมอ้าวเริ่มมาดีมาหลายอายุเท่าไหร่ประโยค่าดีแต่เกิดเลยเปล่า<อ>เกิดม า, าก็พูดออกมาบอกว่าเราเป็นใหญ่เราประเสริฐเราเป็นเลิศ okay. ชาตินี้เป็นพบสุดท้ายเลยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เลยใช่ไหมนั่นไม่ใช่สัตว์มีบุญแล้วถ้งนั้นเนี่ยใช่ไหมอ้าวถ้างั้นลองลองลงมาหน่อย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 แล้วอีกคนนึงอ่ะหนักไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเด็กเด็กเนี่ยอัธยาศัยมาบวชทุกปีหกจ็ปีนี่มาบวชหมือนบนปีละเดือนละเดือนนี่นะแล้วก็ตั้งอัธยาศัยไว้ก็จบเนี่ยอเจ้ไปเจ้าไปมหกเขาจะบวชตลอดชีวิตแล้วอันมาเขาหูปไปมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยพูดเรื่องบวชอย่าพูดเองเขาได้ฟังด้วยแล้วมาบวชไม่ตามกว่าหกปี เขาทำไมก็ชอบใจพระพุทธเจ้าขนาดหนักแบบ เ, เด็กคนนี้ถ้าเรื่องของพระุทธเจ้านี้อ่านหมดศึกษาหมดแล้วต่อมาหมเขากลับกลายเป็นเด็กที่เกเที่ยวติดยาเอาสินี่คือโทษจริงๆนถามว่าอะไรอะไรตอนนั้นที่ขับเคลื่อนเขาแรงขนาดนั้นแั้นอาตมาจะมีส่วนทำให้คนอีก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 และอัยาริยะใสก็ต่างสิ้นเชิงไหมสิ้นเชิงด้วยก็ต่างแต่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่กันได้ใช่ไหมเป็นลูกใช่ไหมเราลูกต่างอยูอย่ๆไหมล้ยผิวพรรณต่างไหมปฏิสนธิอัจฉริยะใสต่างหมดเลยนั่นแหละเนี่ยคือกายต่างสัญญาต่าง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 ก็เห็นโหจุดต่างงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมใเนี้ว่านี่คือจุดเห็นความต่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เสร็จแต่นะว่าเราโกรธอะไรใช่มโกรธขันโกรธธาตุโกรธอจตนะแล้วพอใจอะไรพอใจขันพอใจธาตุพอใจอภิชารโทรมานะทำไมเดินกับขันอจตนาธาตุเพราะสัตว์นั้นมีวิชาปิดใช่ไม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 ใช่ไหมถ้าเขียนไม่ได้มันรู้ไปใช่ไหม<ช>อะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมถ้าเขียนไม่ได้รู้ไปใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขียนไม่ได้อย่างงี้ก็โอ้ไม่รู้จะไปใช้อะไรแล้วเร <B> าเป็นการติวเข้มตั้งแต่ระหว่างสามวันเนี่ยสามวันอย่างเงี้ยใช่ไหมไอที่ไม่อาจก็เยอะที่บนันทึกไปเนี่ยคงจะได้ประมาณสิบชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำไปเลตอนนี้กว่าไปแล้วเนี่ยนะ อันนี้ก็ไปฟังไปโทดทวนที้ประการต่อไปก็คือว่าเหตุบางทวีเหตุบา้างเหตุกขเหตุบ้างเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหมดแมเหล่านั้นจึงชื่อว่านานาตากายยานาน่าตัสัญญีมีกายต่างมีสัญญาต่างเนาะอันนี้ชัดเจนเลยนลนะมนุษย์และเทวดาบางเหล่านี้นะส่วนกายของเทวดาบางพวกในหมู่ชั้นฉะกามาวจรฉะโตหกเนาะตั้งแต่ไหนจะตกลงไปจนถึงปารณิมิสสวัสวัสดีไปไล่เอา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 ใช่ไหมนั่นน่ะบกลิงถูกไฟไหมนั่งอยู่บนตอหางด้วยลิงตัวนั้นกับเทวดาใช่ไหมแล้วก็มาเทียบบุคคนที่งามที่สุดนะ่ะกับลิ ง, งนะสัตว์โลกทั้งหลายนะที่ว่าเราเร า, เรางามที่สุดในจักรวาลทั้งสิ้นต่างๆที่อยู่เป็นกลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหลายเนะี่ยเหมือนลิง